ก, การงานของครหัตและบรรพชิตสุพมานพทูลถามว่าท่านพระโคดมพราหมทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าฐานะแห่งการงานของคราวาร่ามีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากมีผลมากส่วนฐานะแห่งการงานฝ่ายบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อย มีความเพียร น, น้อยและมีผลน้อยในเรื่องนี้ท่านพระโคโดมจะตรัสว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามานพแม้ในเรื่องนี้เราก็แยกกล่าวมิได้รวมกล่าวฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อย ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อย เมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยเป็นอย่างไร คือฐานะแห่งการงานคือการไถที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากเป็นอย่างไรคือฐานะแห่งการงานคือการไถนั่นแหละที่มีความต้องการมากมีกิจมาก มีเรื่องมากมีความเพียรมากเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียร น, น้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยเป็นอย่างไร คือฐานะแห่งการงานคือการค้าขายที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยเมื่อวิบัตย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากเป็นอย่างไรคือฐานะแห่งการงานคือการค้าขายนั่นแหละ ที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียร น, น้อยเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากมานพฐานะแห่งการงานคือการไถที่มีความต้องการมากมีกิจมาก มีเรื่องมากมีความเพียรมากเมื่อวิบัตย่อมมีผลน้อยแม้ฉันใดฐานะแห่งการงานของครวาที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อวิบัตย่อมมีผลน้อยฐานะแห่งการงานคือการไถ่นั่นแหละที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมาก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 แห่งการงานคือการค้าขายที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียร น, น้อยเมื่อวิบัตย่อ ม, มีผลน้อยแม้ชันใดฐานะแห่งการงานฝ่ายบรรพชิตที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยก็ชันนั้นเหมือนกันเมื่อวิบัตย่อมีผลน้อย ฐานะแห่งการงานคือการค้าขายนั่นแหละที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากแม้ชั้นใดฐานะแห่งการงานฝ่ายบรรพชิตที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมาก บัญญัติธรรมห้าประการสุพมานพทูลถามว่าท่านพระโคโดมพรามทั้งหลายบัญญัติธรรมไวห้าประการเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จหรือพระผู้มีพระภาคตรตัสตอบว่ามานพพรามทั้งหลายบัญญัติธรรมห้าประการใดไว้เพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จถ้าเธอไม่หนักใจดีละ เธอจงกล่าวทำห้าประการนั้นในบริษัทนี้เถิดสุพมานพกราบทูลว่าท่านพระโคโดมผู้เจริญณนะที่ที่พระองค์หรือบุคคลเช่นกับพระองค์ประทับนั่งอยู่ข้าพระองค์ไม่มีความหนักใจเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพถ้าเช่นนั้นเธอจงกล่าวเถิดสุพมานพกราบทูลว่าท่านพระโคโดม พรามทั้งหลายบัญญัติธรรมข้อที่หนึ่งคือสัจจะ Pul เพื่อทําบุญเพื่อยังกุศล ธ, ธรรมให้สําเร็จบัญญัติธรรมข้อที่สองคือตบะบัญญัติธรรมข้อที่สามคือพรหมจันทร์บัญญัติธรรมข้อที่สี่คือการเรียนมนบัญญัติธรรมข้อที่ห้าคือการบริจาคเพื่อทําบุญเพื่อยังกุศล ธ, ธรรมให้สําเร็จพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติธรรมห้าประการนี้ไว้เพื่อทําบุญ เพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จในเรื่องนี้ท่านพระโคโดมจะตรัสว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามานพบรรดาพรามทั้งหลายแม้พรามสักคนหนึ่งผู้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่หรือสุภามานพทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคโดม แม้อาจารย์ท่านหนึ่งแม้ป้าจารย์ของอาจารย์ท่านหนึ่งตลอดขึ้นไปเจ็ดชั่วอาจารย์ของพรามทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่หรือไม่มีเลยท่านพระโคโดมแม่ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุพการจารย์ของพรามทั้งหลายคือฤาษีอัตกะฤาษีวามกะ หรือสีวามเทพหรือสีเวสามิตะหรือสียมะตักคิหรือสีอังคีรสะหรือสีพารัวาชะหรือสีวาเสถะหรือสีกัสปะหรือสีพคัคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนเป็นผู้บอกมนที่พวกพราหมณ์ในปัจจุบันนี้ขับตามบทมนเก่าที่ท่านบุพาจารพราหมณ์ขับไว้แล้วบอกไว้แล้วรวบรวมไว้แล้ว กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านได้บอกไว้แม้ท่านเหล่านั้นก็กล่าวแล้วอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งได้ปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่หรือสุภมานพทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาณพได้ทราบกันดังนี้ว่า บรรดาพราหมณ์ทั้งหลายไม่มีพร์แม้สักคนหนึ่งผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศผลแห่งธรรมหประการนี้ไม่มีใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์เป็นปาจารย์ของอาจารย์ตลอดเจ็ดชั่วอาจารย์ของพราหมณ์ทั้งหลายผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเราได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศผลแห่งธรรมหประการนี้ แม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุพการย์ของพราหมณ์ทั้งหลายคือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสามิตะฤาษียมตักขิฤาษีอังคีรสะฤาษีพารทวาชะฤาษีวาเสตะฤาษีกาสะปะฤาษีพะคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนเป็นผู้บอกมน ที่พราหม์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามบทมนเก่าที่ท่านขับไว้แล้วบอกไว้แล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านได้กล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านได้บอกไว้แล้วแม้ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศผลแห่งธรรมห้าประการนี้มานบคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกัน คนอยู่หัวแถวคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถวต่างก็มองไม่เห็นกันแม้ชั้นใดภาษิตของพราหมณ์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นจะเปรียบได้กับคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกันคนอยู่หัวแถวคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถวต่างก็มองไม่เห็นกันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมาณพ ผู้เป็นบุตรของโตเทยพราหมณ์ผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัดปีบเหมือนคนตาบอดยืนเข้าแถวจึงโกรธไม่พอใจเมื่อจะข่มขู่ติเตียนว่ากล่าวพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระสมณโคโดมจะได้รับความเสื่อมเสียแล้วจึงด้ยวยกราบทุนพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมพรามชื่อโปคระสาติโอปัญโคด ผู้เป็นใหญ่ในป่าชื่อสุภควันกล่าวไว้อย่างนี้ว่าอย่างนี้แลสมณพราหมณ์เหล่านี้ย่อมยืนยันญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์พาสิทธิ์นี้ของสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเป็นพาสิทธิ์ที่หน้าหัวเราะเลวรามว่างและเปล่าถ้าเช่นนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะรู้จกเห็น หรือจากทำให้แจ้งยานทศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามานพพรามชื่อโปคระสาติโอปมัญญโคดผู้เป็นใหญ่ในป่าชื่อสุภควันกำหนดรู้ใจของสมณะพรามทุกคนด้วยใจหรือสุภมานพทูลตอบว่าท่านพระโคโดมพรามชื่อโปคระสาติ โอปมัญโคดผู้เป็นใหญ่ในป่าชื่อสุภควันกำหนดรู้ใจของนางทาสีชื่อปุณิกาของตนด้วยใจของตนเองยังไม่ได้จะ ก, กำหนดรู้ใจของสมณพรามทุกคนด้วยใจได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรถามว่ามานพเปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดไม่พึงเห็นรูปสีดำสีขาวรูปสีเขียวรูปสีเหลือง รูปสีแดงรูปสีแสดไม่พึงเห็นที่ที่เสมอและครุคระไม่พึงเห็นดวงดาวไม่พึงเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ <_ clic> เขาจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า <_ acak> ไม่มีรูปสีดำสีขาว <_ Không S 1> ไม่มีคนเห็นรูปสีดำสีขาว <_ Spotify> ไม่มีรูปสีเขียวไม่มีคนเห็นรูปสีเขียวไม่มีรูปสีเหลืองไม่มีคนเห็นรูปสีเหลืองไม่มีรูปสีแดง ไม่มีคนเห็นรูปสีแดงไม่มีรูปสีแสดไม่มีคนเห็นรูปสีแสดไม่มีที่ที่เสมอและครุขระไม่มีคนเห็นที่ที่เสมอและครุขระไม่มีดวงดาวไม่มีคนเห็นดวงดาวไม่มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่มีคนเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงไม่มีผู้ที่กล่าวอยู่นั้นชื่อว่า กล่าวอย่างถูกต้องหรือมานพสุพมานพทูลตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคดมรูปสีดำสีขาวก็มีคนเห็นรูปสีดำสีขาวก็มีรูปสีเขียวก็มีคนเห็นรูปสีเขียวก็มีรูปสีเหลืองก็มีคนเห็นรูปสีเหลืองก็มีรูปสีแดงก็มีคนเห็นรูปสีแดงก็มีรูปสีแสดก็มี คนเห็นรูปสีแสกก็มีที่ที่เสมอและครุกระก็มีคนเห็นที่ที่เสมอและครุกระก็มีดวงดาวก็มีคนเห็นดวงดาวก็มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีคนเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีผู้ที่กล่าวว่าเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงไม่มีผู้ที่กล่าวอยู่นั้นชื่อว่ากล่าวยังไม่ถูกต้องท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพอย่างนั้นเหมือนกันพราหม์ชื่อโปคระสาติโอปัมมัญโคดผู้เป็นใหญ่ในป่าชื่อสุภควันชื่อว่าเป็นคนบอดไม่มีจักษุเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะรู้จกเห็นหรือจกทำให้แจ้งยาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามานพ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์มหาสารชาวเมืองโกศลคือพราหมณ์ชื่อจังกีพราหมณ์ชื่อตารุกขะพราหมณ์ชื่อปกระสาติพราหมณ์ชื่อชานุสโสนิหรือพราหมณ์ชื่อโตเทยะผู้บินบิดาของท่านวาจาที่พราหมณ์มหาสาลเหล่านั้นกล่าวตรงตามโวหารของชาวโลกหรือไม่ตรงตามโวหารของชาวโลกอย่างไหนประเสริฐกว่ากัน สุพมานกทูลตอบว่าผู้กล่าววาจารตรงตามโวหารของชาวโลกประเสริฐกว่าท่านพระโคโดมวาจาที่พรามน้ำหาสารเหล่านั้นรู้แล้วกล่าวหรือไม่รู้แล้วกล่าวอย่างไหนประเสริฐกว่ากันวาจาที่พรามเหล่านั้นรู้แล้วกล่าวประเสริฐกว่าท่านพระโคดมวาจาที่พรามน้ำหาสารเหล่านั้นพิจารณาแล้วกล่าวหรือไม่พิจารณาแล้วกล่าว อย่างไหนประเสริฐกว่ากันวาจาที่พราหมณ์เหล่านั้นพิจารณาแล้วกล่าวประเสริฐกว่าท่านพระโคดมวาจาที่มีประโยชน์หรือวาจาที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งพราหมณ์นมหาศาลเหล่านั้นกล่าวอย่างไหนประเสริฐกว่ากันวาจาที่มีประโยชน์ประเสริฐกว่าท่านพระโคดมท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าเ <go bons> มือ่อเป็นเช่นนั้นโปคะสาติพราหมณ์โอปมัญโยโคธ ผู้เป็นใหญ่ในป่าชื่อสุภควันกล่าววาจาตรงตามโวหารของชาวโลกหรือไม่ไม่ตรงตามโวหารของชาวโลกท่านพระโคดมเป็นวาจาที่รู้แล้วกล่าวหรือไม่รู้แล้วกล่าวเป็นวาจาที่ไม่รู้แล้วกล่าวท่านพระโคดมเป็นวาจาที่พิจารณาแล้วกล่าวหรือไม่พิจารณาแล้วกล่าวเป็นวาจาที่ไม่พิจารณาแล้วกล่าวท่านพระโคดม เป็นวาจาที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เป็นวาจาที่ไม่มีประโยชน์ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพนิวร น, นี้มีหประการนิวรหประการอะไรบ้างคือ 1. กามชฉันทานนิวรนสิ่งที่กั้นจิตคือความพอใจในกาม 2. พยาบาทนิวรนสิ่งที่กั้นจิตคือความขัดเคืองใจ 3. ทีนมิทะนิวรสิ่งที่กั้นจิตคือความหดหู่และเสื่อมซึม 4. อุททจกุกุตจะนิวรสิ่งที่กั้นจิตคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจชานิวรสิ่งที่กั้นจิตคือความลังเลสงสัยนิวรนห้าประการนี้แหลมานพโปคราสาติพรามโอปะมัญโยโคฏ ผู้เป็นใหญ่ในป่าชื่อสุภควันถูกนิวรห้าประการนี้น่วงเหนี่ยวกางกั้นรัดรตรึงตรึงตราไว้แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะรู้จากเห็นหรือจากทำให้แจ้งยาทณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์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 โคท พ, พะที่จะพึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดการมคุณห้าประการนี้แลโปคระสาติพรามโอปมัญโยโคดผู้เป็นใหญ่ในป่าชื่อสุภควันกำนัดแล้วหมกมุ่นแล้วด้วยการมคุณห้าประการนี้ถูกการมคุณห้าประการนี้ครอบงำแล้วไม่เห็นโทษ ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอนออกบริโภคอยู่เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะรู้จากเห็นหรือจากทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์มานพท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลจะพึงอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อจุดไฟขึ้นหรือไม่อาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อจุดไฟขึ้น ไฟอย่างไหนหนอจะมีเปลวสีและแสงสว่างสุพมานพกราบทูลว่าท่านพระโคโดมเป็นไปได้หรือถ้าการจุดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม้เป็นเชื้อจะมีเปลวสีและแสงสว่างพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลจะพึงจุดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม้เป็นเชื้อขึ้นได้นอกจากผู้ที่มีฤทธ อุปมาเหมือนไฟอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชือ้อจึงลุกโผลงขึ้นได้แม้ฉันใดเรากล่าวปีติอนอาศัยกรมคุณหประการว่ามีอุปมาฉันนั้นเหมือนกันอุปมาเหมือนไฟที่ ielle. ไม่ม rip, fork, ีหญ้าและไม้เป็นเชื้อลุกโผลงขึ้นได้แม้ฉันใดเรากล่าวปีติที่เว้นจากกามและอคุสุลธรรมทั้งหลายว่ามีอุปมาฉันนั้นเหมือนกัน ปติที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้จงหัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่ปีตินี้เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายมานกอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจาร์สงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่แม้ปีตินี้ก็เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย มานพในทำห้าประการที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่ อ, อย่างกุศลธรรมให้สำเร็จนี้พรามทั้งหลายบัญญัติทำข้อไหนว่ามีผลมากกว่าสุพมานพกราบทูลว่าท่านพระโคโดมในทำห้าประการที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่ อ, อย่างกุศลธรรมให้สำเร็จนี้พรามทั้งหลายบัญญัติทำคือจาคะว่ามีผลมากกว่า พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามานพท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรณนะที่นี้จะพึงมีมหาญา์เกิดขึ้นแก่พราม์คนหนึ่งครั้งนั้นพรามสองคนพากันมาด้วยหวังว่าจากเสวยมหานตณของพรามชื่อนี้ในพรามสองคนนั้นคนหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้เราเท่านั้นควรจะได้อาสนะที่เลิศน้าที่เลิศ และอาหารที่เลิศในโรงพัดพราหมณ์อื่นไม่ควรได้อาสนาที่เลิศน้ำที่เลิศและอาหารที่เลิศในโรงพัดเลยเป็นไปได้ที่พราหมณ์คนอื่นจะพึงได้อาสนาที่เลิศน้ำที่เลิศและอาหารที่เลิศในโรงพัดส่วนพราหมณ์ผู้ไม่ได้ย่อมโกรธไม่พอใจว่าพราหมณ์อื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศและอาหารที่เลิศในโรงพัดส่วนเรากลับไม่ได้ มานบพรามทั้งหลายบัญญัติผลแห่งกรรมนี้ไว้อย่างไรสุพมานบทูลตอบว่าท่านพระโคโดมในเรื่องนี้พรามทั้งหลายให้ทานด้วยคิดอย่างนี้ว่าพรามนั้นถูกพรามผู้นี้ทำให้โกรธทำให้ไม่พอใจก็หาไม่ได้โดยที่แท้ในเรื่องนี้พรามทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์กันเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น ข้อที่พรามทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์กันนี้ก็เป็นบุญกริยาวัตถุข้อที่6ของพรามทั้งหลายหรือท่านพระโคดมเมื่อเป็นเช่นนี้ข้อที่พรามทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็จะเป็นบุญกริยาวัตถุข้อที่6ของพรามทั้งหลายทำห้าประการนี้ที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สเร็จ ท่านพิจารณาเห็นมีมากในพวกไหนในพวกครหอขัดหรือพวกบัรปชิตสุพมานกกราบทูนว่าท่านพระโคโดมทำห้าประการนี้ที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบัรปะชิตมีน้อยในครหอัเพราะครือขัดมีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมาก จะเป็นผู้พูดจริงสเสมอตลอดไปไม่ได้ส่วนบรรบชิตมีความต้องการน้อยมีกิดน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยจึงเป็นผู้พูดจริงเสมอไปเพราะครหัดมีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากจะเป็นผู้มีความเพียรเสมอตลอดไปไม่ได้จะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นผู้มากด้วยการสาธยาย จะเป็นผู้มากด้วยการบริจาคส่วนบรัพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียร น, น้อยจึงเป็นผู้มีความเพียรเสมอตลอดไปได้เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มากด้วยการสาธยายเป็นผู้มากด้วยการบริจาคท่านพระโคโดมทำา5ประการนี้ที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สาเร็จ ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบันปะชิตมีน้อยในเครหัสพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพทำห้าประการที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จเรากล่าวว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราพูดจริง จึงได้ความรู้อัดได้ความรู้ธรรมได้ความปราโมดประกอบด้วยธรรมความปราโมดอันประกอบด้วยกุศลนี้ที่เรากล่าวว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มากด้วยการสาธยายภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มากด้วยการบริจาคเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้มากด้วยการบริจาคจึงได้ความรู้อัดได้ความรู้ธรรมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศล น, นี้ที่เรากล่าวว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนทำห้าประการ น, นี้ที่พราหม์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทําบุญเพื่ อ, อยังกุศลธรรมให้สำเร็จ เรากล่าวว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียน